อ่ะโยมพร้อมแล้วก็นั่งคูบัลลังถ้านั่งพื้นไม่ไหวก็นั่งเก้าอี้นะแต่ว่าเช้าเๆ้าถ้าว่าไม่มีปัญหาทางร่างกายหัวคงหัวเข่าอยู่ดีๆนะอย่างนุ่นหัวเข่าไม่ดีก็นั่งเก้าอี้ไปหลังไม่ดีก็นั่งเก้าอี้ไปแต่นั่งพื้นได้ก็เอาอพื้นไว้ก่อนนั่งคูบัลลัง ขาขวาทับขาซ้ายหรือว่ากัดสมาธหรือเอาขาเรียงกันอย่างนี้ก็ได้เนี่ยขาเรียงเออนั่นอะเอาขาซ้ายสอดไว้ที่ใต้ขาพับของขาฝาสอดไว้ในขาพับของขาฝาเนี้ยแล้วเอาขาฝาไปเรียงไว้ตรงหน้าแข้งของขาซ้ายก็เรียกว่าเรียงอย่างเงี้ยเออ แล้วได้นั่งนั่งบนเบาเล็กที่ที่เขาให้มาเนี่ยที่เขาเตรียมไว้ให้นั่งบนเบา น, นั้นก็จะทำให้การทรงตัวดีขึ้นนั่งได้นานขึ้นเพียงแค่เพราะว่ามันเมื่อยน่อยก็ตั้งกายให้ตรงขึ้นเอาพร้อมแล้วนะ ตั้งกายให้ตรงเก็บมือให้เรียบร้อยเอามือฝ่าวางไว้บนมือซ้ายนะวางไว้อย่าให้มันวางสบายๆอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้มันกดจนเกินไปแต่ตั้งกายให้ตรงไหล่ซ้ายไหล่ขวาเนี่ยให้มันได้ได้สมดุลกันอย่าทิ้งให้ไหลมัน จนมากเกินไปข้างใดข้างหนึ่งพอเรานั่งไปสักพักหนึ่งมันจะปวดกระดูกสันหลังก็ให้มันตั้งฉากกับพื้นตั้งให้ตรงกระดูกคอตั้งตรงแล้วก็ตรวจสอบดูว่าในกายของเราในการนั่งนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันยังเบียดอยู่มันยังตึงอยู่หรือมันยังกดอยู่ทำให้มันเกิดการผ่อนคลายขึ้นก่อน เมื่อตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้าก็คือน้อมความรู้สึกไว้ที่ใบหน้าเรียกว่านึกไปทั่วใบหน้าของตนเองนั่นแหละใบหน้าเรามันก็ไม่มีอะไรมากมายดันบนสุดก็เป็นหน้าผากนึกไปที่หน้าผากเลระลึกไปที่หน้าผาก ด้านซ้ายเป็นแก้มซ้ายด้านขวาเป็นแก้มขวาด้านล่างเป็นคางเหนือคางเป็นปากเหนือปากเป็นจมูกเหนือจมูกก็เป็นตาสองข้างลองระลึกนึกไปตามจุดต่างๆในบริเวณใบหน้าของตนเองให้มันรู้สึกได้ไม่ต้องรีบร้อน ระลึกนึกไปทั่วบริเวณใบหน้านี่นะจากนั้นก็ น้อมก็ไปที่ช่องจมูกซึ่งเป็นทางเดินของลมหายใจออกลมหายใจเข้าจุดตั้งต้นในการรู้ลมหายใจเราก็ใช้วิธีเดิมๆก็คือว่าหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าตั้งใจว่าอย่าลืมนะหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่า จะระลึกนึกรู้ลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาแล้วรอลองระลึกนึกดูว่าเรารู้สึกกับลมหายใจออกตรงไหนที่เราระลึกนึกถึงลมหายใจออกได้ดีนิ่งๆไม่ต้องวิ่งตามได้ตรงไหนบริเวณตั้งแต่เหนือริมผิปากบนไปจนถึงช่องจมูกหรือดานในโพรงจมูกนิดหน่อย ในบริเวณเหล่านั้นที่พอลมหายใจไหลออกผ่านและมันเกิดการกระทบขึ้นพอมันกระทบขึ้นและเรารู้สึกได้ตรงนั้นเราก็ดักรู้ลมหายใจไหลออกอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าไงาสุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่ระลึกนึกถึงลมหายใจที่ไหลออกนั้นในบริเวณนั้น ตรงไหนที่เรารู้สึกได้กับลมหายใจที่ไหลออกตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของจิตรู้ของเราเมื่อเมื่อนึกระลึกถึงลมหายใจไหลไหลออกได้จนสุดจากนั้นก็รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าตรงนั้น แรกๆเราก็ทําลมหายใจให้ยาวลมหายใจออกให้ยาวพอสุดแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ายาวๆทาลมให้ยาวทาลมให้ยาวแบบไม่อึดอัดนะลมให้ยาวแบบสบายๆ ให้จิตระลึกรู้ลมที่มันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกยาวอยู่จุดเดียวนั้น ถ้าคนใหม่ๆยังไม่ค่อยคุ้นกับลมหายใจทำลมหายใจยาวแบบไหนก็ลองเอาวิธีนี้นะพอหายใจออกยาวรู้หายใจเข้ายาวรู้พอลมหายใจเข้าสุดนับหนึ่งนับในใจไว้หนึ่งหายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้พอลมหายใจเข้าสุดจังหวะที่ลมหายใจหยุดน่ะนับสองแล้วหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้พอลมหายใจเข้าสุดเกิดลมหายใจหยุดตรงนั้นน่ะนับสามหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้พอลมหายใจเข้าสุด เกิดลมหายใจหยุดนะนับสี่นับเบาๆให้ได้สิบคู่ของลมหายใจไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกังวล น, นะน้อมความรู้สึกเข้าไปเพื่อรู้ลมหายใจตรงๆตรงๆอย่างนั้น โดยทั่วไปธรรมชาติเขาจะหายใจเข้าหายใจออกนับแต่เราไม่เอานะเราหายใจออกหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกหายใจเข้านับสองหายใจออกหายใจเข้านับสมแต่ทําลมหายใจยาวช้าๆาไม่ต้องรีบร้อนสบายสบาย ให้ได้สิบกู้ความโลมหายใจยาว อว่าครบสิบคู่แล้วก็เอาการนับออกไปเอาการนับออกไปให้เหลือแค่การรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องมีการนับ จะเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนนะรู้ลมหายใจทําลมหายใจยาวๆพอมันจับลมหายใจได้แล้วสามารถรู้ลมหายใจได้ชัดแล้วก็ปล่อยลมหายใจให้เป็นธรรมชาติให้มันพอดีพอดีเป็นลมหายใจที่เราไม่ได้เข้าไปกําหนดให้มันยาว เป็นลมหายใจที่ปกติที่ร่างกายเขาหายใจตามปกติและเรารู้ลมหายใจนั้นตามปกติลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้อย่าเผลอนำจิตวิ่งตามลมหายใจเข้าไปคว้าวรู้อยู่ตรงที่สามารถรู้สึกได้ ไอ้ตรงที่เรารู้สึกได้นั่นน่ะมันเหมือนป้อมยามของมรอปรพอหน้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านเนี่ยรอปรพอเขาจะมีป้อมยามอยู่รอปรพอนั่งอยู่ในป้อมยามรถเข้าก็รู้รถออกก็รู้ไม่ต้องวิ่งตามรถเข้าไม่ต้องวิ่งตามรถออกแค่อยู่ในป้อมยามก็สามารถรู้ได้ว่ารถเข้ารถออกอันนั้นอย่างไร การรู้ลมหายใจก็อย่างนั้นแต่มันจะต้องมีกระบวนการในการสร้างความรู้ให้รู้มันรู้จักกับลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าได้เมื่อเขาสามารถรู้สึกได้ตรงไหนเราก็คว้าวรู้อยู่ตรงนั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ให้ลมมันปกติปกติธรรมดา พอหลังมันโกง่งตัวมันเอียงให้รู้สึกแล้วก็ตั้งกายให้ตรงเริ่มปรารบความเพียรคือรู้ลมหายใจใหม่อีกครั้งการทำอย่างนี้เ็าเรียกว่าปรารบความเพียรเป็นการเริ่มตั้งความเพียรให้มันไม่ยืนจุดในทางที่ถูกที่ถูกต้องของการรู้ลมหายใจอย่าปล่อยให้กายมันเอียง มันเองไปข้างใดข้างหนึ่งหรือจะปล่อยให้หลังมันโกงคู่งอตั้งกายให้ตรงเรารู้ลมหายใจเป็นเรื่องหลักสิ่งอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรารู้ลมหายใจมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้น เราก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางไว้แล้วเราก็มารู้ลมหายใจถ้าจิตมันหลุดกลับไปรู้สึกกับอะไรก็ตามแค่รู้ว่าจิตของเรามาหลุดออกไปจากลมหายใจแล้วเราก็ยกกลับมารู้ลมหายใจเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปบังคับอะไร แคให้จิตมารู้ลมหายใจเหมือนเราขับรถอยู่บนถนนเรามีเลนซึ่งเป็นหลักอยู่ที่เรากําลังขับไปส่วนว่ามีอะไรเกิดขึ้นด้านซ้ายก็ตามด้านขวาก็ตามมันก็แค่เห็นแค่เห็นแค่เห็นแล้วก็ผ่านไปเห็นแล้วก็ผ่านไปเห็นแล้วก็ผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกัน จิตรู้ลมหายใจเป็นเรื่องหลักเป็นเอกของงานในขณะนี้ชีวิตของเราทั้งชีวิตไม่มีอะไรอื่นมีแค่ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่รู้ลมหายใจเท่านั้นเองหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ต่อเนื่องไปเรื่อย มีความเคลืมความเคลืมเป็นผลพวงของถีนามิธานิวร์เพราะว่าพอจิตแต่เดิมจิตเรามันฟุ้งซ่านมันก็ไม่เคลิม่มมันคิดนั่นคิดนี่แต่พอเรามารู้ลมหายใจเนี่ยมันอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวความที่เขาหดออกมาจากอารมณ์ต่างๆมันก็เลยทำให้เขาเคลื่มไปเพราะสติของเราไม่แข็งแรงพอ ถ้าความเครื่อเกิดขึ้นให้เราแก้ด้วยการตั้งกายให้ตรงและก็ทำลมยาวอีกครั้งหนึ่งตั้งกายให้ตรงทำลมยาวความเครื่อนก็จะหายไปพอความเครื่อนหายไปเราก็ปล่อยลมหายใจให้เป็นปกติตามธรรมชาติและก็รู้ต่อไปอีกครั้งหนึ่งหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ ระวังความเคลื่อนนะอย่ายอมตามมันเพราะมันเกิดปั๊บก็รู้เลยว่ามันมีความเคลื่อถ้าความเคลื่อนมันเกิดแสดงว่าสติกสมาธิมันอ่อนกว่านิวรณ์เราก็ตั้งกายให้ตรงกระดูคอต่อตั้งให้ตรงไม่ต้องกลัวเสียเวลานะเริ่มตั้งความเปลี่ยนกําจัดความเคลื่อนออกไปก่อนให้มันรู้ตัวความเคลื่อนก็จะหายไปหายใจออกรู้ ไม่ใชเขารู้ ไม่ต้องไปกังวลว่านั่งไปกี่นาทีแล้วนะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่ลมหายใจที่ถูกรู้กับจิตที่รู้ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ต่อเนื่องไปอย่างนี้ ตอนนี้ขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกยกมือขวาเคลื่อนไปช้าๆวางไว้ที่ข้อข้างขวาให้จิตรู้สึกยกจิตไปที่มือซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือซ้ายขึ้นเคลื่อนมือซ้ายไปช้าๆให้จิตรู้สึกวางมือซ้ายวางไว้ที่ข้อซ้ายให้จิตรู้สึก ยกจิตกลับมาที่ใบหน้ารู้อยู่ที่ใบหน้าของตนเองแล้วก็ประหกหน้านิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิจนขณะนี้สิสเอดโมงพอดีเราก็พักรับประทานอาหารใช่ไหมเพราะว่าหลายคนทุกคนถือศีลแปดเดี๋ยวมันจะเลย เมื่อเช้าลืมพูดอีกอย่างหนึ่งเรื่องอาหารเรียกว่าอาหารสัพพายะโคโจรโคโจรคือมีแหล่งอาหารเวลาเราจะปฏิบัติเราจะต้องมีแหล่งอาหารหลังจากนั้นอาหารสัพพายะคือการกินอาหารต้องกินพอสมควรอย่าให้มันมากเกินแต่อย่าให้มันน้อยเกินมากเกินอึนอดอัดเวลาภาคบ่ายปฏิบัติไม่ได้ น้อยเกินพอไปตกเย็นมันหิวปวดท้องมันเกิดทุกเวทนาเราก็ทำอาหารให้มันเกิดสปายะเราก็รู้ตัวเราดีว่าเรามันสปายะตรงไหนก็เรียกว่าอาหารสปายะน่ารักพักได้ใครที่นั่งสมาธิมีสภาวะอะไรสงสัยอะไรเป็นคำถามเขียนใส่กระดาษไว้นะ เขียนใส่กระดาษไว้เป็นข้อข้อ ข, อขอ้ตกเย็นจะมีการตอบคําถามไม่รู้ต้องถามเตว่าตั้งกล่องไว้ตรงไหนเขียนคําถามแล้วใส่ไว้ในกล่องนั้นอะ่ะเ อ, อด้านหลังเนี่ยบนโต๊ะด้านหลังมีกล่องใส่กระดาษเขียนสงสัยแล้วก็เขียนใส่ไว้อื